เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักวิชาทั้งสิ้นซึ่งแสดงว่าชาวโลกทิพย์มีรสนิยมในทางดนตรีกันเป็นส่วนมากเพียงใดแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนในที่นี้จะสารวจนเล่นดนตรีกันอย่างหามรุ่มหามค่ําเช่นนั้นไม่ทั้งนี้เป็นไปตามหลักที่กบเจ้าได้กล่าวมาแล้วคือณที่นี้ทุกคนมีอิสระและเสรีที่จะทํางานที่ตนชอบได้อย่างเต็มที่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 ยังมีหนังสือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการดนตรีตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ลงมาอีกด้วยซึ่งเราจะได้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของดนตรีลงมาเป็นลำดับที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าหน้าที่นี้เป็นที่รวมของหนังสือวิทยาการประวัติศาสตร์และงานประพันธ์ดนตรีทั้งหลายนั้นใครขอกล่าวเพิ่มเติมไว้ด้วยว่าเป็นการรวบรวมไว้อย่างสมบูรณ์จริง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 เมื่อท่านผู้ที่ชาวมนุษย์ยกย่องว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวิชาการดนตรีได้ผ่านเข้ามาสู่โลกนี้แล้วก็มักจะได้ความคิดใหม่ว่าตนเองยังหามีความรู้เพียงพอไม่และมักจะแก้ไขปรับปรุงงานดนตรีของตนในโลกมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้นเสมอโดยในนี้อาจกล่าวได้ว่าในเรื่องการดนตรีนี้พวกเราชาวโลกทิพย์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 ซึ่งเราจะได้ทราบเองในภายหลังขณะ น, นี้จนจะถึงเวลาบรลเลงดนตรีอยู่แล้วเราจึงลองทำตามคำเสนอของเอ็ดวินได้วความประหลาดใจคือเลือกที่นั่งด้านบนพื้นหญ้าซึ่งห่างจากคู่บรลเลงดนตรีมากทำให้ข้าพเจ้าอดสงสัยไม่ได้เพราะเกรงว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงถนัดในระยะค่อนข้างไกลเช่นนี้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 และบ้างก็นั่งลงบนพื้นหญ้าอย่างสบายอารมณ์สภาวะของสิ่งแวดล้อมในขณะนี้ทำให้พระเจ้ารู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่รู้สึกว่าสมบูรณ์กว่าสุขใดๆในโลกมนุษย์อย่างมากมายยิ่งนักเรากำลังนั่งอยู่บนพื้นหญ้า อ, อ่อนนุ่มและเขียวสดความเพลิดเพลินเจริญตาและเจริญใจมีอยู่โดยรอบทั้งในส่วนธรรมชาติ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 กลายเป็นวงกว้างออกเป็นสีสุกสกาวอยู่โดยรอบที่นั่งชั้นบนสุดคือที่อยู่เสมอระดับพื้นดินที่ประหลาดยิ่งขึ้นก็คือเมื่อดนตรีได้มาเลงต่อไปเป็นเสียงดังขึ้นลำแสงประหลาดนี้ก็ทวีความแน่นในตัวเองและความเข้มแข็งของสียิ่งขึ้นดวเหมือนกันปรากฏการณ์อันน่าพิศวงเช่นนี้ทาให้ข้าพเจ้าตกตะลึง